ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องผู้หญิงสารพัดพิษกุณาละชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัด น, นี้ เราไม่ต้องการอยู่กับอีพวกนักเลงเหล่านี้ต่อไปแล้วนะจะมีมีอีนักเลงอยู่อันหนึ่งน ะ, อ, ะอันที่สามอ่ะนะทบทวนหน่อยที่8ดอีอะไรไม่ใช่ไปนั่งท่องเฉยๆนะหมายถึงว่าให้เรารู้ว่าทำไม ถึงเป็น8คำนี้นะ้ว่ามีความหมายอะไรบ้างอออเจอแล้วมวาคำแรกนี่อีทอยคิดหายคำแรกอ่าคำแรกคืออีทอยคิดหายหมายถึงว่าเอามาใช้ตอนที่อยากจะไล่ทิ้งไปอะ่ะอยากจะไล่พวกพวกนางนกพวกเนี้ยคือพูดง่ายว่า ไม่อยากให้มาใกล้ชิดไม่อยากให้มาติดพันมายุ่งยามอะไรมากเพราะฉะนั้นก็จะใช้อันนี้ไล่นกพวกนี้ไปนะคำแรกคืออ e ีถอยฉี้ายคำที่สองถึงจะเป็นอ e ีอยละลายหมายถึงว่าว่าอะไรเนี่ยที่มันเลวๆละลายอะไรนี่ก็แหมละลายหมด <c oughs> พูง่ายว่าเสียหายหมดนะก็เลยว่าไปเสร็จแล้วอันที่สามเนี่ยถึงจะเป็นอีโจรอีโจรแล้วค่อยมาอีนักเลงอีนักเลงนี่หมายถึงว่ามีมายามากอีโจรนี่หมายถึงว่าเหมือนกับโจรที่มาจี้มาโป้นมาทาให้ต้องอะไรอ่ะเสียหายทำให้ต้องมาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองก็เลยว่า อีโจนแต่ที่พญานกปุณณมุขะพูดว่าเนี่ยพวกนางนกพวกนี้เนี่ยจะกลับมาอยู่กับกับตัวเองอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกไม่เอาแล้วพวกอีนักเลงทั้งหลายเนี่ยไม่เอาแล้วหมายถึงว่ามีมายามากนะ อ, อีนักเลงนี่หมายถึงว่ามีมายามากส่วนอีเพลเลอร์คือขาสติคือขาสติ นะอีใจง่ายนี่ก็คือพวกโลเลนะโลเลไปโลเลมาส่วนสองอันสุดท้ายนี่อีไม่รู้จักคุณคนอันนี้ก็คือทำลายมิตรนะอีไม่รู้จักคุณคนแล้วก็อีตามใจตนเหมือนลมนี่ใค้รู้เอาแต่ใจตัวเอง <c oughs> วัน8ปอี <c oughs> อาตานี่พอพญานกปูนนามุกะพอพูดอย่างนี้แล้วใช่ั้ย ก็ไม่เอาแล้วนกนางนกพวกนี้พญานกกุณาลาจึงกล่าวว่าดูก่อนสหายถ้าเช่นนั้นเราจะกล่าวความรามกของหญิงทั้งหลายให้ท่านได้ฟังเอาแล้วนะจะเริ่มแล้วนะคือคือตอนนี้พญานกปุณมบุขากำลังเริ่มเห็นอิทธิภาวะแล้วคือแต่ก่อนเนี้ยโอยินดีพอใจนะพูดง่ายๆมีนางนกห่อมร้อมพูดพ่อๆหวานหวาน แหพอใจมากพอตอนนี้เริ่มเห็นแล้วบอกโอ้โหนี่ดูสิพอลำบากขึ้นมาอะไรขึ้นมานี่ทิ้งเงินไปเลยไม่เอาใจใส่ไม่มาดูแล ก, กันเลยนะพรา น, นก็ โ, โหพวกนี้พ่วยง่ายว่าเชื่อใจไม่ได้นะหลอกลวงพญานกกุณาละได้ได้ช่องได้โอกาสก็เลยบอกอาถ้างั้นฟังฟังนะฟังดูว่าว่า ความเลวร้ายของอิทธิภาวะเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนาจึงกล่าวว่าดูก่อนสหายถ้าเช่นนั้นเราจะกล่าวความลามกของหญิงทั้งหลายให้ท่านได้ฟังว่าแล้วก็พาพญานกปุณณามุขะไปยังพื้นศิลาข้างเขาหิมพม า, านพักอยู่ที่โคนไม้รัง คือพูดง่ายๆว่าจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเะป้อนก็เลยหาทำเลหาทำเลเหมาะๆหน่อยพาไปที่แหม่มีแท่นศิลามีต้นลังอยู่นะล่มเย็นอะไรเงี้ยพาไปที่ตรงต้นไม้นั่นนะ่ะบอกว่าเตรียมจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วพญานกอุณาโมคขากับบริวารก็พากันอยู่ในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งอ๋อแสดงว่านางนกพวกนั้นก็ก็บินตามไปด้วย นะพูดง่ายกว่าคราวนี้ก็ไปบริเวณที่ตรงใต้ตัวลังนี่เต็มไม่หมดไฟเทวดาก็เที่ยวเปล่าร้องไปทั่วหิมพม า, านเอาล้วนะคราวนี้ว่าวันนี้พญานกกุณาละจะแสดงธรรมคือคือคือเทวดาที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะพอรู้ว่านี่พญานกกุณาละจะแสดงธรรมเรื่อง อะไรอ่ะความเลวร้ายของอิทธิภาวะของผู้หญิงน่ะนะพอรู้เท่านั้นเองเป่าประกาศให้คนอื่นรับรู้ด้วยเลยผมว่าเ็วเร็วเรๆวเวเ ว, เวนะมาฟังมาฟังพญานกกุณาชกษ์กำลังจะเล่าโทษภัยเล่าเรื่องอันตรายของผู้หญิงละแม้แต่พญาแรงชื่อว่าอานนนมีแรงหมื่นหนึ่งเป็นบริวารอาศัยอยู่ที่ภูเขาคิชกูด เมื่อจะยินเสียงเปล่าร้องเป็นโกลาหลุนก็พาบริวารมาด้วยความประสงค์จะฟังธรรมโอ้โหคราวนี้พูดง่ายว่าคนช่วยกระพือว่าพญานกุณาระจะแสดงธรรมเรื่องนี้นะเจาะจงเลยนะว่าเรื่องนี้นี่พญาแรงจะยินข่าวเข้าก็รีบมาเลยเหมือนกันอยากจะฟังพูอง่ายพาบริวารมาหมื่นตัวนะบริวารคิดดูตอนนี้โอ้โห ล้อมบริเวณนั้นใหญ่เข้าไปอีกแล้วแม้แต่นาระทะรือสีผู้สำเร็จอภิญญาห้ามีดาบทบริษัทมื่นหนึ่งอยู่ในหิมะวันตะประเทศก็คืออยู่ที่ป่าหิมะพานนั่นแหละได้ยินเสียงเป่าร้องก็คำนึงว่าพญานกกุณาระสหายของเราจะชี้โทษของหญิงทั้งหลายกันมังนี่ได้ขา่าวเหมือนกัน ควรที่เราจะไปฟังเทศนาของพญานกกุณาละคิดแล้วก็พาดาหมดหนึ่งมื่นมาณที่นั้นโอ้โหคราวนี้เนื้งแน่นละอีแรงหนึ่งมื น, นหนือสฤาษีอีกมืนหนึ่งอะไรอ่ะพวกพวกนกนกดูเบาบริวารของพญานกปูนามุขาอีก สามร้อยห้าสิบนี่สองมืนสองมืนกว่าแล้วนะนี่ตอนนี้ลำดับนั่นเองพญานกกุณละได้อ้างพญานกปุนาบุขาเป็นพยานแล้วก็แสดงเหตุที่ตนได้เห็นมาแล้วในอดีตซึ่งประกอบไปด้วยโทษแห่งหญิงว่าเเริ่มละเรื่องที่หนึ่งดูก่อนสหายปุนาบุคขา เราเคยเห็นมาแล้วนางกัญหาสองพ่อนางมีผัวห้าคนยังมีจิตปฏิพัทธ์ผูกพันทำลามกในบุรุษที่หกซึ่งเป็นคนเปรี้ยเตี้ยแคะหลังคอมอหลังโกงโค้งงอคอก้อมลงมาถึงท้องเหมือนคนสีสาขาดอันนี้อันนี้ไตเติ้ลตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่าง พูดง่ายพญานกปูนพยานกกุณาระเนี่ยบอกว่าเอาแล้วนะเราจะเล่าให้ฟังเลยนะเรื่องแรกซึ่งเราเจอมาเองอบอกในอดีตนะเนี่ยมันมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นที่พูดมาตะกี้นี้คือเรื่องคือตัวโครงเรื่องย่อยๆเท่านั้นเองต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาจริงต <c oughs> ะกี้เป็นการเกิดเหมือนเราดูหนังทุกวันเนี่ยเขาจะมีฉายไตเติ้ล ให้เราดูหน่อยหนึ่งใช่ไหมและอันนี้คือของจริงแหละ ว, ว่าในการอันล่วงมานานแล้วพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นพระราชาในแคว้นกาสีสเสด็จไปตีเมืองได้ราชสมบัติในแคว้นโกศนดูนะสองแคว้นนะแคว้นกาสีแคว้นหนึ่งกับแคว้นโกศนอีกแคว้นหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตนี่ไปตีเมืองนะในในแคว้นโกศล พอตีได้แล้วคราวนี้ได้ได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเพราะพระองค์มีพลพาหณะอันมากมายได้ฆ่าพระเจ้าโกศลเสียแล้วก็พาเอาพระอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลราชซึ่งกําลังทรงพระคันอ่อนๆมาด้วยแล้วเสด็จไปยังเมืองพรัรนศสีทรงตั้งให้เป็นพระอัครมเหสีของพระองค์ ไม่ช้านานนางก็ประสูติพระธิดาซึ่งโดยปกติพระเจ้าพรหมทัตไม่ได้มีพระโอรสพระธิดาเลยคือแสดงว่าตอนที่คลองราชอยู่เมืองแคว้นกาสีนี่ไม่มีนะพระโอรส พ, พระธิดาตอนนี้พอตีเมืองนี้ได้เอาเอามเหสีพระเจ้าโกศลมานำมาแต่งตั้งเป็นมเหสีของตนเอง ก็มีท้องอ่อนๆมาใช่ไหมคราวนี้ก็คลอดลูกละคราวนี้พอคลอดลูกออกามาใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรราชาสัพท์ประสูตรเนี่ย้วก็พระเจ้าพมทัศน์นี่จึงทรงยินดีมากถึงกับออกพระโอษฐว่าดูก่อนนางผู้เจริญเราจะให้พรแก่เธอที่ดีใจมากเพราะว่าอะไร โอ้ oh, พ่อไ ม, ไม่มีโอรสมาก่อนไม่มีพระธิดามาก่อน พ, อ, พอได้ประสูติออกมาก็มาดีใจใหญ่เลยคำว่าเราจะให้พรเนี่ยหมายถึงว่าให้ขออะไรก็ได้นั่นเองคำว่าให้พรนี้พระอัครเมสีอพระอัครเมเหสีก็ทรงยึดเป็นคำมั่นสัญญาไว้ดังนี้ส่วนพระประยุรญาตทั้งหลายถวายพระนามพระราชกุมารีนั้นว่า การหาเมื่อนางเจริญไวยแล้วพระมารดาจึงบอกว่าพระราชบิดาของเจ้าพระราชทานพรไว้แม่ได้ถือเป็นคำมั่นสัญญาไว้แล้วเจ้าจะเลือกอะไรก็ได้ตามความพอใจของเจ้าเถิดคือพูดง่ายว่าจะขออะไรก็ขอมาแล้วแม่นี่จะไปขอพระราชาอีกทีนะเพราะว่าได้ไ ด, ได้ได้คำมั่นสัญญาว่าขออะไรก็ได้แล้ว พูดง่ายว่าติดไว้ก่อนเนี่ยบอกว่าต้องการเมื่อไหร่ก็จะไปบอกพระธิดากรหาจริงทูลว่าทรัพสมบัติใดๆของหมอมชันก็มีอยู่แล้วขอแต่อนุญาตให้หมอมฉันเลือกสามีได้ตามความชอบใจเถิดเพราะว่าสมัยโบราณ น, นี่ส่วนใหญ่เลือกเองไม่ได้พ่อแม่เป็นคนจัดการให้นะส่วนใหญ่และไม่เหมือนปัจจุบันนี้หรอก ปัจจุบันนี้พ่อแม่แต่ต้องยากส่วนใหญ่ลูกไปเลือกเองไปหามาเองจนบางทีพ่อแม่ยังไม่รู้เลยเพราะว่าแต่งก็ไม่บอกด้วยนะโอจริงๆงเดี๋ยวนี้แต่งก็ไม่บอกอะ่ะอยู่ดีๆก็พามาเสร็จแล้วก็บอกอยู่กันมาตั้งนานแล้ว <c oughs> โอโหพ่อแม่นี่กลุมขมับเลย ปวดหัวเลยบางทีน่าแต่อดีตแล้วไม่อย่างนั้นเลยอดีตก็เหมือนกับคลุมถุงชนน่าเรียกว่าพ่อแม่เป็นคนจัดกายให้เสร็จลูกก็ต้องกระจันอยู่กระเตะเวทีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ทําตามพ่อแม่จะหาใครให้ยังไงก็ตามนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยพระธิดากันหาก็เลยแบบขอขอว่าขอให้ได้เรียกสามีเองครับ พระมาดาจึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าพมทัดก็ตรับรับว่าดีแล้วจึงเป่าร้องบุรุษทั่วราชอาณาเขตแล้วให้ธิดาเลือกตามความชอบใจพวกบุรุษทั้งหลายก็พากันประดับประดาด้วยเครื่องอลังการมาประชุมพร้อมหน้ากันที่หน้าพระานพระทิดากันหาถือพระอบดอกไม้ยืนอยู่ที่ช่องพระแกอันสูง ช่องพระแก่คือหน้าต่างนางก็มายืนยืนที่ช่องหน้าต่างเนี่ยเพื่อที่จะดูไงเหมือนกับอะไรนะนางรจนาเลือกคู่ไงนะมาดูว่าเอาใครที่จะเหมาะที่จะชอบใจแลดูบุรุษเหล่านั้นก็ไม่ได้ชอบใจสักคนหนึ่งปรากฏว่าดูทีไรก็ไม่ถูกใจสักทีก็เลยยังไม่ไม่เสี่ยงพวงมาลัย ถ้านางรจนานใช่ไหมแต่ของอินเดียก็เขาไม่ได้เสียงพวงมาลัยนี่ไม่ใช่แบบแม้พอชอบใครก็เวียงพวงมาลัยตุบไปเข้าคอพอดีนะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเออคือถ้าเขาชอบใจก็หมายถึงว่างไงก็เดินไปหาเสร็จแล้วก็เอาพวงมาลัยคล้องคอให้ก็หมายถึงว่าเลือกคนนี้คนนี้อ่าตอนนี้ปรากฏว่าไม่ชอบใจใครสักคนเลยคราวนั้นเอง มีราชกุมารห้าพระองค์เป็นราชบุตรแห่งพระเจ้าบรรทุราช น, านี่นี่นีเป็นอะไรอะ่ะเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันนามีห้ากุมารเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างอันนี้ยเขาบอกว่าเป็นราชบุตรแห่งพระเจ้าบรรทุราชองค์หนึ่งคือองค์องค์พี่เนี่ยมีพระนามว่าอัจฉุน หรืออัดชุนะเนี่ยอัดชุนนะองค์ที่สองรองลงมามีพระ น, นามว่าณกุละหรือนกุลนั่นเองนะองค์ที่ส ม, มีนามว่าพีมาเสนองค์ที่สมีพระ น, นามว่ายุทธิทิละองค์ที่หก็มีพระ น, นามว่าสหเทพนะพากํารปเล่าเรียนศินลปศาสตร์ในสํานักอาจารย์ที่สาปามโมกเมืองตักกัิลาสําเร็จแล้ว ใครจะทราบถึงจารีตในประเทศต่างๆจึงพาการไปเที่ยวถึงเมืองพรนานณสีได้ยินเขาวุ่นวายกันในเมืองจึงเข้าไปถามคั้นทราบความแล้วก็ปรึกษากันว่าจะไปดูบ้างว่าเนี่นี่เนี่ยพระธิดาจะเลือกคู่อพอรู้เรื่องราชกุมารทั้งห้านี่ก็เลยเออจะไปดูเขาเนะพราะว่าเห็นโอ้โหชาวเมืองตื่นเต้นกันใหญ่ ใครฟังชื่อห้าชื่อเนี่ยถ้าใครจำได้นะในเรื่องมหาภารตายุทธเนี่ยมหารารตายุทธก็จะมีเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อเพียนเพียมาอัดชุนเนี่ยจริงๆก็คืออรชุนเนี่ยนะชื่อแบบอรชุนแต่จริงๆไม่ใช่ชื่ององโตน ะ, ะจริงๆแล้วองโตจะต้องเป็นยุธทธิทิล ะ, ะเนี่ยชื่อชื่อจะคล้ายๆกันเลยเนี่ยเนี่ย แตมายังยึกยกอยู่เนี่ยไม่รู้ไปเอาในมหาพาราตายุทธน์นี่มาใส่หรือเปล่าเนี่ยห้าชื่อนี้นั่นเรื่องเนี้ยเนี่ยใกล้เคียงมากเลยชื่อแม้แต่สหเทพแม้แต่อะไรพวกนี้ก็เป็นชื่อในมหาพาราตายุทธ์อ่ะตอนนี้ปรากฏว่ากุมาทั้งห้านั้นมีรูปงามผ่องใสคล้ายๆกันคือทั้งห้ารูปเนี่ยเป็นพี่น้องที่ ไล่เลี่ยใกล้เคียงกันมากต่างก็พากันไปยืนเกาะกลุ่มติดต่อกันอยู่นะก็ยืนเรียงกันอยู่คล้ายพระธิดาอ่ยืนเรียงกันอยู่ในกลุ่มพวกพวกที่จะมาให้เลือกคู่นั่นแหละฝ่ายพระธิดากันหานั้นเห็นราชกุมารทั้งห้าก็มีความสิหนหาทุกทุกองเกินไปหน่อยนะเกินไปหน่อย แหมชอบ ท, ทุกองค์เลยนะในห้าองค์นี้จึงจึงเสียงพวงมาลัยไปคล้องให้ทั้งห้าพระองค์ก็ชอบหมดอะ่ะชอบหมดอะ่ะสงสัยถ้ามีห้าพวงมาลัยก็เวียงหมดเลยนะเอาไปคล้องให้หมดเลยทั้งห้าองค์นี้เลยนี่คือความโลภนะคือความโลภโลภแบบนี้เราเรียกว่าโลภแบบไหนเอโลภในกาม นะในตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเนี่ ย, ย yaz yaz กิเลสกามกิเลสตัณหาโดยโดยตรงเลยนะตัณหานี่คือความทยานอยากในกามนั่นเองนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของกามยริงยริ ง, ง, งตัณหาเนี่ยเป็นเรื่องของความทยานอยากเฉยเฉยนะจะเป็นเรื่องอะไรอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงก็ได้อ่าไปเป็นตัณหาใน อาหารการกินในอะไรอื่นๆแต่เราก็ถือว่าเป็นการเหมือนกันแต่ในที่นี้เนี่ยเป็นตันหาในเรื่องของผู้ชายผู้หญิงนะซึ่งตันหาเนี่ยเป็นตัวที่อะไรอะ่ะคําว่าภาษาไทยเขาใช้คําว่าเป็นความทยานอยากเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นกิเลสที่กําลังทํางานเกิดขึ้นสมมุติว่าเกิดความ รักใคร่ชอบพอยินดีพอใจเนี่ยมันกำลังทำงานของมันขึ้นมาเลยในขณะที่มันกำลังคิดกำลังปรุงด้วยความยินดีด้วยความชอบใจด้วยความทะยานอยากเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตันหาแต่ถ้าความยินดีพอใจนั้นน่ะเราเอามาเก็บไว้เอามาสะสมวัญญัติจิตเรานะจนกระทั่งอะไรอะ่ะเออหมักหมมจะมากจะน้อยจะ เยอะแค่ไหนก็ตามหมักหมมอยู่ในจิตเราเนี่ยจนนอนเรื่องอยู่ในจิตเราคราวเนี้ยตัณหาแบบเนี้ยกามแบบเนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นอุปทานละไงอุปทานเนี่ยจะเป็นแบบว่ามันนอนเนื่องอยู่แล้วมันมันฝังตัวอยู่แล้วมันจะอยู่อย่างนั้นแะแต่พอเราปรุงขึ้นมาเมื่อไหร่ เราปรุงเราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นตัวตันหาทํางานนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอนางกันหานี่มาเห็นปับ๊บโอ้โหกระปรุงใหญ่เธยยินดีพอใจชอบก็เลยเอาไปคล้องให้หมดเลยมาไลยทั้งห้าองนี้เลยแล้วก็กราบทูลพระมารดาว่าหม่อมฉันเลือกเอาทั้งห้าคนนี้ พระมหันตาก็ไปกราบทูล น, นะก็ไปบอกพระราชาพระเจ้าพรหมทัตไม่พอพระทัยยิ่งนักแต่ไม่อาจจะตัดว่าไม่ได้ทําไมถึงถึงถึงตัดอย่างนั้นไม่ได้พอรับปากไว้แล้วใช่ไม้มว่าขออะไรก็จะให้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ใจจรยยิงๆไม่ชอบใจไปเลือกอะไรเลือกตั้งห้าคน ก็ให้เรียกคนเดียวเท่นั้นน่ะใช่ไหมกเ็เลยน้ำท่วมปากพูดไม่ออกเพราะพระราชทานพรให้แล้วจึงตัดถามถึงชาติตระกูลและนามบิดาขั้นทรงทราบว่าเป็นราชกุ ม, มารของพระเจ้าบันทุราชก็พระราชทานเอ่อพระราชทานราชศัก ร, ระให้นนก็คือก็เอาก็ต้องทำให้อะ ทำตามพิธีทำตามอะไรให้แล้วยกพัิดากันหาให้เป็นบาทบริจาริกาของพระราชกุมารทั้งหองค์ยกให้หมดเลยทั้งหองค์แต่ถ้าในเรื่องของอมหาภารตะยุทธ์เนี่ยเท่าที่อธมาจำได้นะจริงๆแล้วเนี่ยอรชุนเนี่ยเป็นคนที่ได้ได้ภรยามาแต่มันมีปัญหาตรงที่เรียกว่า ก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเหตุเกิดขึ้นที่ทำให้พระราชมารดาของของอรชุนเนี่ยทั้งทั้งหพระกุมารเนี่ยนะคือแบบว่าถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมีอะไรได้มาเนี่ยในแต่ละคนได้มาต้องแบ่งกันแวดต้องใช้ร่วมกันแล้วก็ให้หพระกุมารเนี่ย สาบานด้วยกันอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้พอออร์ชุนนีไปได้ภรรยามาก็เลยต้องมาแบ่งด้วยกันกับพี่น้องเพราะว่ า, เ, าเหมือนกับว่าสาบานกันไว้เหมือนกับอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ให้ให้คำสาบานไว้กับแม่ว่าเออถ้าได้มาเนี่ยก็จะมาแบ่งด้วยกันก็เลย ทำตามสัญญานี้เพราะฉนั้นพอได้ภรรยาคนนี้มาก็เลยต้องให้มาร่วมห้าสามีนี่เลยห้าผัวนะอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องในมหาารตแต่อันนี้อันนี้คล้ายๆแต่ไม่ใช่นะอันนี้เพราะว่า น, นี่เลือกเองอันนี้นี่ผู้หญิงเลือกเองเลยนะเลือกห้าผัวเลยเลือกทีเดียวยังกระฟ้าแฟดเลยอันนี้ อพอเลือกมาแล้วใช่ไหมก็เอาแต่งให้เสร็จพัฒดากัรหาก็บำเรอ ร, ราชกุมารทั้งห้าด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอันแรงกล้าอยู่บนปราสาทเจชั้นโอโ้โหคือพูดง่ายๆว่าพระราชาก็ยกอะไรอะปราสาทยกอะไรต่ออะไรให้ก็เลยอยู่ร่วมกันอย่างนั้นแหละนะก็เลยพัฒดานี่ก็พูดง่ายๆก็มีหผัว ก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าเวรยังไงบ้างก็แล้วแต่ณที่นั้นนั้นหมายถึงว่าที่ปราสาทนั่นแหละณที่นั้นมีบุรุษคอยรับใช้อยู่คนหนึ่งเป็นคนเปี้ยค่อมคือจริงๆมีคนรับใช้เยอะแต่มีคนหนึ่งอ่ะที่เปี้ยคอมเมื่อพระัิดาการหาบัมเร ร, ราชกุมารทั้ง5ด้วยกิเลสแล้วพอราชกุมารเหล่านั้นออกไปภายนอกนางก็มีเวลาว่าง เมื่อกิเลสลุกลามขึ้นก็เกิดตันหาทำความชั่วลามกกับบุรุษเปรีย้ยคือพูดง่ายๆว่าแม้ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะถ้าเขาเรียกว่าผู้หญิงอะ่ะที่มีลักษณะกิเลสใครอยากในกลามอย่างนี้มากๆเป็นโรคอะไรอย่างนี้เขาเรียกโรคอะไร h ิ s ทิเลียอันนี้เขามีภาษาเรียกว่าโอ้โหมีจิตที่มัน คือพวกนี้เนี่ยวิบากรรมนะไปสั่งสมไอ้เรื่องพวกนี้ไวในหัวสมองเนี่ยมากหรือว่าไว้ในจิตวิญญาณเนี่ยมากไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติมาแล้วสั่งสมแต่เรื่องพวกนี้จริงๆผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอ่ะนะถ้าอิทธิภาวะเนี่ยเนี่ยคือสั่งสมไอ้กิเลสตัณหาในเรื่องของความค่ายอยากในการมีมากมากมากมากมาก็ฝังอยู่ในจิตนี่แหละ เพราะนั้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะยุ่งกับคนนี้ก็จะยุ่งกับคนโน้นจะยุ่งกับคนนั้นอะไรชาดกบางเรื่องเนี่ยมีที่เรียกว่าโอ้โหยุ่งกับใครต้องไมร่รู้ต้องจำนวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้จนกระทั่งตาหลังเนี่ยพอราชาถึงจะรู้จับได้ถึงโอ้โหแค้นมากเลย น, นมาก็ลืมไปแล้วนั่นะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เคยเคยอ่านเจอในชาดกนะอันนี้ ปรากฏว่าห้าผัวนี่ยังไม่พอพอเรียกว่าพระราชกุมารทั้งห้านี้มาอยู่ออกไปข้างนอกเท่านั้นเองปรากฏว่าเอาเลยขนาดว่าคนรับใช้คนนี้เนี่ยทั้งพิการนะหลังก็ค อ, อมบอกว่าอะไรนะตัวก็งอจนกระทั่งแหมเอาเอาหัวมาถึงพื้นได้พูดง่ายๆโอนะ้ขนาดอัปรักอย่างนี้ยังยังยัง คือคือคนเราเนี่ยมันเหมือนกับหน้ามืดอะถ้ากิเลสตัณหามันมีแล้วอ่านไม้หนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานเนี่ยเดือนที่แล้วที่บอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอะ่ะที่พอเมาแล้วก็ไปเสพกับสัตว์กับอะไรพวกนี้ก็ได้คือพอเมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีกิเลสตัณหามันหน้ามืดพรนั้นโอ้มันยุ่งกับสัตว์เดไร่ฉานมันก็ยุ่งได้อย่างเงี้ย มันพวก้เนี่ยเนียเนียเนี่ยคือประเภทเดียวกันเนี่ยคือพวกที่สั่งสมจิตกิเลสตัณหาเนี่ยอุปทานพวกนี้มากมากมากมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามคอยระวังสภาวะจิตตัวเองเวลาไหนคราวไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะจิตมันจะคิปไปในทางต่ำช้าลามกนะไปในทางไม่ดีเกิดขึ้นในจิตอย่าปรุงมันต่อไปให้รู้เลยรีบห้ามกัน้นจิตเอาไว้ นะอบรมสั่งสอนได้อบรมสั่งสอนมันด่าได้ด่ามันหรือว่าปรุงเป็นอสุภะที่จะมาคลายมาล้างจิตพวกนี้ล้างทิ้งให้ได้ไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาโอ้โหมันปล่อยมันไปเรื่อยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในพบอะ่ปล่อยคี้ปรุงฟุ้งไปเรื่อยเลยปรุงฟุ้งไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยถ้าปรุงฟุ้งไปเรื่อยเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆไอๆ้เรื่อง ตันหาพวกนี้ก็ยิ่งหนายิ่งใคร่อยากยิ่งใครอยา ก, ยยากมันสะสมมากเข้ามากเข้าอีกหน่อยก็วจีกรรมกายกรรมมันก็ต้องตามมาแน่นอนไม่มีทางอื่นเพราะนั้นยิ่งถ้าเรารู้เรื่องพวกเนี้เข้าใจมากขึ้นเรื่องของธรรมะเรื่องการมาปฏิบัติธรรมให้รู้เลยว่าถ้าสภาวะจิตเกิดจะคิดไม่ดีจะปรุงอะไรเร็วๆเรวลายพวกนี้มีเหลือจะไม่รู้ตัวใช่ไหมมันรู้ตัวอยู่แล้ว แต่เนี่ยนีจยจะเป็นอ e ีเพอเลอหรือเปล่าอีเพอเลอก็คือขาดสติหรือเปล่าเพราะฉั้นถ้าไม่ขาดสติเนี่ยเอาอย่าไปเพอเลอสิใช่ไหมพอรู้ตัวว่าเออจิตไม่ดีเลยนะอันนี้พูดในเรื่องการนะจริงๆนะ่ยมันจะราคะโทสะหรือว่าโมหะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เพอเลอแล้วพอรู้ตัวว่าโอ้โหนี่มันเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาดูพับจับได้อ่านจิตได้ทันจับได้ทัน จับได้ทานเสร็จก็ต้องล้างสิ